ในมนุ์เพื่อนพิสุสัมเ น, นิทุกท่านครับตั้งใจฟังแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านครับตั้งใจฟังถ้าทาไมตั้งใจฟังแล้วมันจะจำไม่ได้การฟังเนี่ยต้องให้มันจําได้ <c oughs> หลังจากการทําบัดเ้าวันนี้ก่อนจะมาได้แน่ แนววิธีปฏิบัติโดยเล่าเรื่องปัญญาลูกวมจิง <c oughs> วันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันอังคารอบรมเป็นวันอังคารที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดพวกเราได้มาอบรมธรรมะที่ทัพเมงขวน มาตั้งแต่วันที่สิบห้าวันนี้ก็สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าผ่านมาแล้วเป็นเวลาสี่วันวันนี้เป็นวันที่ห้าเราได้ทำวามตกลงกันเอาไว้ว่าจะทำสิบวันยังเหลืออยู่ห้าวันเราจะได้ทำมาอย่างนั้นจี่ว่าตั้งใจทาคำว่าปัญญา คนจะร่วงคุประเพอปัญญาเนะี่ยมันเป็นญาณของยิปัตนาหมวพ่อเคยเล่าให้ฟังอย่างที่ว่าปฐมฌานทุติญาชาฌานตัติญาาญาฌานจตุทัสฌานปัญจามาฌานอันนี้มันเป็นญาณแบบ น, นี้เราเข้าใจว่าในตำร า, าปฐมฌานมีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาณทุติญาฌานมีองค์ส มีวิกตกวิจารปิติเอวะตาเล น, น, นี่บอกพร้อม ก, กินแล้วก็มีตาติญญาสารไปตามขั้นตอนไปมีองห้าองสี่องสามองสององสองนี่มีสองครั้งเนี่เป็นไหสในตำราหนังสือเพ่อนมีอยู่ตองกันดังนั้นเรามาทีนี่มาปฏิบัติธรรมะนี่ก็ให้รู้ให้เข้าใจ เมื่อเรารู้เราเข้าใจกันแล้วมันจะไม่คล้องแวะอยู่กับตำลา <c oughs> เพราะมันจะไปสัมผัสแนบแนบ่แนหนุกับสิ่งที่เรารู้เราเห็นเราเป็นเรามีนั่นเองคําว่าปฐมมัทย์มีองค์ห้าคือเบื้องแรกรู้เรื่องขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิณ ญ, ญาณนี่เขาได้เมื่อที่ว่ามีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกตาก็ได้และวจะพูดันมัน เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยดังนั้นคําว่าปฐมอาสารเนี่ยตอนท่าเข้าใจที่หลวงพ่อนํามาเล่าให้ฟนะังคือให้รู้ว่าทุนนี้เองเป็นปฐมอันรูรูปนาม น, นั้นมันเป็นปฐมมาเลิกมันเป็นเริ่มต้นที่จะรู้ที่แรกะเพียงมาดีใจไม่หลงไม่ลืมคือจะไม่หลงทำผิดเอย่าไม่ไหว้ผีเลิก ลิได้หลวงพอ่อคนอื่นให้จะเป็นยังไงไม่รู้หลวงพ่อเลิกการไหว้ผีเสื้อเลือกงามยามดีเทวาดาแล้วนี่หลวงพ่อเลิกได้สิ่งเสพติดทุก ป, ประเภทหลวงพ่อเลิกได้แต่เมือ่อรู้รูปนามทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพ่อคล้องแวะอยู่หลวงพ่อเลิกได้แต่เรื่องโทสะโมหะโลวงพ่นี่ยังไม่เข้าใจจังหวัดอันนั้นมันไม่ใช่เป็นปฐมวสายมันเป็นปฐมวเลิก ตอนที่หลวงพ่อเข้าใจเป็นปฐมศาสตร์นี่คือหลวงพ่อมารู้มาเห็นมาเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับวัตถุวัตถุปรามาสอาการนี่หลวงพ่อเข้าใจนี้แล้วก็มารู้มาเห็นมาเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับโทะโมหะโลภะนี่แล้วก็มารู้มาเห็นมาเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับตัวเวทนาตัวสัญญาตัวสังขารตัววิญญาณนี้ อันนี้แหละเป็นปฐมฤกษ์แล้วพอลูอันนี้แล้วมันเกิดปีติสเป็ น, นิดเดียวประมาณจากไม่ถึงพอสองนาทีเดี๋ยวหลวงพอเข้าใจยังไงหลวงพอคิดหลวงพอเองนั่นเนี่ยมันมืดอยู่ในใจแต่ใจมันยังไม่สว่างแต่รู้สึกว่าน้ําหนักของตัวเองเนี่ยร้อยกิโเออตกไปแล้วบ่นเนี้ยแปดสิบกิโลยังเหลืออยู่พเพลีย์ยี่สิบกิโลนั่นท่านี้น เ, นเข้าใจอย่างไ น, น เลยเข้าใจควมเป็นพระโอ้เราเป็นพระได้แล้วเนื้อ ป, ปัญญาของนิพพานาทิเตปัญญาไปสอดรู้สอดเห็นเข้าใจอันนี้ดอกปัญญาญานบันนี้มราก็พยายามเล่งคมเพียรเข้ามันจะเกิดตีตีเดี๋ยวมันมืดอยู่ในใจยังไม่สว่างมากเท่าไหร่ก็เลยมาเห็นมารู้มาเข้าใจสัมผัสแนบแน่งอยู่กับกิเลส ต, ตัณหาอุปทานกรรมนั่นนี่ย อันนี้อ่เป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลตอนนั้นหลวงพ่อรู้ตอนเย็นหลวงพ่อเลยมานอนมานอนตอนเล้ามาหลงพ่อลุกในระยะคิดว่าปีสามกู่ะเ น, นี่ยหลวงพ่อลุกก่ะลางหน้าธรรมดาเรานี่เนีลยลุกแล้วกว็ทาจังหวะอยู่ในห้องแล้วกวาลางหน้าลางตาดีๆแล้วหลวงพ่อก็เลยมาใต้เทียงไขใต้เทียงไขเดินกลับไปกลับมา พ่อแม่ไม่มีไฟฟ้าเอาใต้ใ บ, บ่วนนั้นส่วนนี้ขับไปกลับมาไม่นานเนี่ยหลวงพ่อก็เลยรู้จักศีลขึ้นมาเลยนี่มันเป็นอย่างี้แต่ก่อนหลวพ่อยังไม่รู้ศีลนี่ก็ยังไม่รู้พอดีตอนเช้าบุญหลวก็รู้เพราะศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบสัจธรสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดนี่เป็นการทบทวนขวามรู้ให้ พวกเราได้จดจาเอาไว้และก็นําไปปฏิบัติหลวงพ่อคิดว่านี่แหละไปหาพระพุทธเจ้าจะพบพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เจ้าสายสิทถาถกุ ม, มารพระพุทธเจ้าคืออันจิตใจที่บริสุทธิ์ตนเองก็เลยเห็นศินศินก็นไม่ใช่ว่าศิลอันอย่างที่อธิศินสิกขาอธิคิตาสิกขาที่ปั ญ, ญาศิกขาไม่ได้พูดอย่างนั้น ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยสามร้อยเหล่านี้คือเห็นสินขันสมาธิขันปัญญาขันสินขันน่นจะว่าขันห้ามีศิลก็ได้อยบเวทนามีสินก็ได้และใจว่าผู้ยัญญนกระไดพอสินขันคือขันกับกับรูปนี่เองสินขันสมาธิขันปัญญาขันคือขันเบื้องแรกก็ต่อรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขันขัน อันนี้เราเคยพูดกันศนะินขันคือรูปจนมีศินสมาธิคือคําพูดคําจาแล้วนั่นเองมีศินเพราะคนพูดมันต้องพูดมีศิลมีสัจจะสินบ้า น, นี้ก็ตัวจิตใจตัวจิตใจก็มีศินตัวชีวิตก็ว่าได้ตัวจิตใจก็ว่าได้เนี่เรียกว่าสินขันสมาธิขันปัญญาขันกิเลสย่างหยาบก็ได้แก่โทสะโมหะโลภะ กิเลสตัณหาอุปทานคันนี้จางขายไปแล้วก็เห็นคำว่าศินหมายที่นี่ก็หมายถึงว่าเราเอาเพชรหรืออาทองคําเอาอะไรมาวางไว้แล้วาผ้าคลีลหรือสิ่งที่สกปรกนั่งกปกไว้เราก็เลยไม่เห็นบัดนี้เราเอารื้อออกผ้าคลีลสิ่งที่สกปรกน่ะรื้อออกทีละนิดทีละนิดก็เลยเห็นเพชรหรือทองคําที่มันดูใต้เนี่ยอันนี้ก็เหมือนขัน ศีลก็เลยปรากฏขึ้นมาให้เห็นพอดีศีลนี่เห็นแล้วก็นหนักแน่นเนี่ยวะศีลเป็นปกติหนักแน่นเป็นปกติเมื่อปีปกติแล้วก็อ น, นันต์คือพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าแล้วแบบนี้เดินเข้าไปเห็นพระพุทธเจ้าจับแข้งจับขาจับมือจับเท้าจับพระพุทธเจ้าได้จริงจริง น, นี้แต่ว่าจับไม่ได้ด้วยมือมันคืว่าตาจับก็ได้หรือว่าปัญญาจับก็ได้จี้ว่ มันสมมติพูดเท่านั้นเองเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเราก็รู้จักความสงบขึ้นมาทันทีนี่ความสงบนั้นนี่นี่คว่าสงบแบบไม่รู้หลวงพ่อเคยทําความสงบมาอย่างที่เราภาวนาพุทโธหรือสมาอาลังนับหนึ่งสองสามดูลมหายใจเข้าสั้นออกยาวลมหยาบลมละเอียด อันนี้หลวงพ่อเคยทํามานั่งสงบแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่รู้อะไรเป็นสินอะไรเป็นอนุพ่อมีอุปทานด้วในสิ น, เ, นเข้าใจอย่างนั้นอันนี้จู่ะไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยทําเสรีสรทําให้มันสบายสบายให้มันรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจคําว่ารู้สึกตัวตื่นตัวนี่คือการเคลื่อนการไหวลูกให้รู้สึกตัว บ, บัดม่ใจิตใจมันนึกมันคิดให้รู้สึกทันทีรู้มาเข้ามาเข้าก็เลยเข้าใจควรสงบสมถะกรรมฐานนั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเหมือนกับเราไปนั่งอยู่ในถ้ำนั่นเองเราจุดไฟไว้ก็สว่างขึ้นมาพอดีไฟมอดลงไปแล้วมืดตึ๊บอยู่เหมือนเดิมหรือจะเตียบอีกอย่างหนึ่งก็เราจุดไฟขึ้นแล้วมันก็สว่างขึ้นมาล้วเอาไฟมาข้างหน้า มืดมันมาข้างหลังแล้วเอาไฟมาข้างหลังมืดมันมาข้างหน้ามันลบตัวก็อยู่อย่างนั้นควรมสงบแบบนั้นดังนั้นที่ว่าควมสงบจริงๆนั้นมันต้องไม่ไม่ต้องใต้ไฟไม่ต้องใต้ไ้แบบปัญญานี่ไม่ต้องใต้ไฟคือเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นบัด น, นี้อันการใต้ไฟเนี่ยมืดมันอยู่ที่มือเรานี่เองอยู่ใต้ซอกนี้ก็ได้ พรมันอยู่กับเราเนี่ยควมไม่รู้มันอยู่กับเราเมื่อเรามาเห็นมาเข้าใจไม่ต้องแต่ฝันคมรู้อันนั้นมันก็อยู่กัจริงแต่ว่ามันมันไม่ทําอะไรถ้าเราไม่ให้มันทํามันก็ทําไม่ได้ตัวอย่างนั้นดังนั้นวิปัสสนาีเจยงมีอารมณ์วิปัสสนาแบบที่เราทําอยู่ในขณะนี้มีอารมณ์ขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปเดี๋ยวเป็นปฐมมาสารเป็นทูติยญาสารเป็นตัดติยญาสารเป็นจัตุทัสสารเป็นปัญจมสารแต่ว่า ในตำรานั่ยก็พูดคล้ายๆกันอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่มันเข้ากันได้แต่มันรู้จักอย่างนั้นกตุนิสานมันเนี่ยรู้จักสมถะกรรมฐานรู้จักความสงบนี้เองอืมแต่ดิจัตุทัศ น, น์เหมือนเ้ยก็หมายถึงเรารวบรวมรวบรวมความรู้แต่เราไม่ได้รวบรวมมันดอกมันเป็นเองอจัตุทสารมารวมกันทั้งหมดเลยจะว่าขันห้าก็ได้ เยารูปก็ได้เยาวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ว่าได้ไมื่อจะว่ายังไงได้ทั้งนั้นเป็นมันเป็นอารมณ์เรารู้เราเห็นเราเข้าใจสิ่งที่ทำดีและทำชั่วมันตรงกันข้ามอย่างนี้เมือกกับสว่างมันตรงกันข้ามขาวกับดามันตรงกันข้ามมันเป็นอย่างนี้พอดีมันรวมกันคล้ายๆคือมีจากสามคนหรือสี่คนห้าคนก็ตาม เราไปทํางานก็นิดเดียวกันนั่นแหละแต่คนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นทางอย่างนั้นคือทําตามหน้าที่นั่นเองเนื้อที่ของนายปอนายปอก็ต้องทําเนื้อที่ของนายขอนายขอต้องทําเนื้อที่ของนายงอ็นนายงอต้องทําสมมติเอาสามคนก็ได้พอดีได้เวลาตีะระฆังเป้งอย่างที่เราตีะระฆังทําวัดเนี่ยวา ง, งมันวางสอหรือวางกระดาษลุกกระสินลุกลุกจริงๆ วางปึ๊บพร้อมกันทันทีหนุพ่อก็เลยเปรียบเอาไว้ธรรมดานะหนุ่พ่อไม่เคยได้ศึกษาเล้วเรียนเขาทํากันเป็นเฮ้งหรือว่าเฮี้ยงสามขาเขาทําย่างปลาย่างเนื้อย่างอะไรกันต่างๆเนี่ยตันนี้ตัดสองตัดอัปานหนึ่งอย่างสองขามันจังไม่อยู่แล้วบนตอนนี้มันต้องล้มไปทางไม่มีขามันมีสามขามันยันไปก่อนมันตั้งได้บันนี้ตัดขานึงแล้ว สองขาตั้งไม่ได้ตัดเอาไปขาหนึ่งแล้วยังขาเดียวตั้งไม่ได้หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบว่ามันปรุงไม่ได้หลวงพ่อเคยเปรียบว่าเอาเสื้อผูกไว้แล้วดึงเข้าขากันมันไม่ถึงอันนี้เรียก ว, ว่าเป็นปัญจามสาสัยตัดพร้อมกันแล้วนี่เรียก ว, ว่าขันห้าไม่ถูกปรุงแต่อีกต่อไปก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญญาเข้ามารู้เข้ามาเห็นเข้ามาเข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ว่าเป็นปัญจามาสาย องค์เจ้มัสานนี้ท่านามีองค์สองเนื้อจัตุทัสการท่านกลว่ามีองค์สองคือมีสุขกับมีเอกขตาวแล้วก็มีสุขกับมีอุเปกขาตัณราท่านว่าอย่างอันนี้หนวงพ่อไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่ามันเข้ากันได้แตองค์สองก็ได้คือองค์ห้าก็ได้คือมันขาดออกจากกันแล้วปรุงแต่งไม่ได้เหมือนกับน้ามันกับน้าทา น, นี่เอง เอาไปเข้าในขวดเดียวกันแต่เราไปละคนเขากันมันไม่เข้ากันแต่มาอยู่ด้วยกันได้อันนี้การทําวิปสัสนาแบบนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อมาถึงจุดนี้เราจะเห็นจริงลูกแจ้งตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ดีแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้งแห่ง น, นั้นแล้วจงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเรต่ละคนนี่เนี่ยรู้เห <c oughs> ็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างเจ้าสาวยิทถากุมาร น, นั่นเราเป็นเราเป็นสาวกพุทธะเดินตามไปหาพระพุทธเจ้าก็เลยไปเห็นพระพุทธเจ้าจริงๆริงจับถูกแต่ในเส้นนี้ไม่จับถูกคือจิตใจหรือตาใจหรือปัญญาและวทจะพูดเป็นเรื่องสมมุติี่ ที่ว่าให้รู้จักสมมุติบัญญัติปานมัติบัญญัติอัถะบัญญัติอริยะบัญญัติให้รู้จักจริงๆแต่ทุกคนนี้ไม่พ้นตอนน่อในเดียว่าสัจจะทำแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผนันมั่นคงถาวร อ, อยู่ตลอดเวลาถึงจะมีพระพุทธเจ้ารู้ก็มีอยู่อย่างนี้ตัวนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ารู้ก็มีอยู่อย่างนี้จะรู้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้ก็เป็นอยู่อย่างทุกคนต้องประสบเรื่องนี้ ที่หลวงพ่อพูดนี้ดังนั้นจือว่าเขามาอบรมวิปัสสนาภาวะหนาที่ทับหน่งขวนเริ่มต้นลงมือทำกันมาตั้งแต่วันที่สิบห้าวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าวันนี้เป็นวันที่สิบเก้าแล้วในตำราท่านบอกว่าถ้าหากจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องอย่างงานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือน อย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่1งวันถึงเจ็ดวันทาให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อานนี้สงนั้นมีสองประการนึ่งเป็นพระอาหารหันในปัจจุบันพบนี้หรือศาตร์นี้เออถ้าหากไม่ได้เป็นพระอาหารหันในปัจจุบันพบนี้ศาตร์นี้นั้นต้องเป็นพระนาคามีแน่นอนที่สุดบัดนี้เรามาทำนี่ตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหก สิบห้าแล้ววันที่สิบห้าเราเริ่มมากันบางคนบางคนก็จะมาตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่ก็มีสิบห้าเอานับตั้งแต่วันที่สิบหกแปดผู้มาวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยี่ิบสามยี่สิบสี่เราจะได้ทำการเข้มงวดกวดขันตัวเองเป็นเวลาเก้าวันแต่ท่านกำหนวดว่า ตั้งแต่เจ็ดงหนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันทันวันยังไงบัด น, นี้เรามาฝังมาทำกันจริงว่าให้เราพยายามทำกันจริงทำกันจังถ้าทำจริงก็ต้องรู้ของจริงไม่มากกว่าน้อยถ้าของไม่จริงแล้วรู้คมจริงน้อยหลงพ่อเคยพูดพูดควรจริงเนี่ยต้องพูดได้ไม่เป็นอะไรคือไม่สะทกสถานใครจะพูดยังไนก็ตามไปปฏิบัติธรรมพร้อมกัน มีพระ อ, อยู่ยี่สิบสามลูกกับมีโยมห้าคนถึงผู้ชายสสองคนเป็นผู้หญิงสามคนแต่ปฏิบัติธรรมะรู้ไม่เหมือนกันพวกนั้นกระลูบไปอย่างพวกนั้นหลวงพ่อกระลูบไปอย่างหลวงพ่อยังว่าธรรมะอันที่หลวงพ่อพูดนี่เดี๋ย ว, ว่าสัจจะแท้จะเรียนหนังสือให้แตกสารในพระไตไปดฎกก็รู้อันนี้แม้ไม่เรียนหนังสือเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นก็ต้องรู้อันนี้ มีเงินมีทองจกักหมื่นล้านแสนล้านก็ตามก็ต้องรู้อันนี้ไม่มีเงินไม่มีทองมีแต่เพียงพ อ, อยู่พอกินอย่างที่เราเราอยู่กันทุกวันนี้ก็รู้อันนี้อันนี้เนี่ยเป็นสัจจะแท้ถึงจะมีผู้รู้ก็ไปอยู่อย่างนี้ไม่มีผู้รู้ก็ไปอยู่อย่างนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังกันม า, ล า, า, ลาหลายครั้งหลายหนว่าธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั่นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า เกิดในอินเดียคุณค้นพบเป็นคนแรกที่สุดเนื่องจาคนในอินเดียกเ็เลยเป็นผู้มีศรัทธาสนใจไปฟังธรรมะท่านก็แสดงให้ฟังบางคนผู้มีปัญญาฟังได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันในทันใดข้าพเจ้ามีทันวายั ง, งแล้วผู้มีปัญญาอย่างแหลมคมนี้มีการศึกษาเล่าเรียนมามากฟังได้เป็นพระอรหันต์ก็มีทันว่าอยยั ง, งจี๋วะ การฟังธรรมะนั่นจึงตั้งใจฟังเนือฟังแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อพูดนี้หลวงพ่อเคยพูดไว้ว่าอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดให้เวลานับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอ น, นิสงฆ์ไม่ต้องพูดเลยจะหมดความสงสัยกังวลใจถ้าหากว่ายัางไม่ถึง ที่สุดทกุก็ต้องแน่นอนเนาะกังวลใจจะไม่สงสัยไม่มีเลยเพราะว่าเราได้ต้นทางไปทีแรกเป็นอย่างนั้นตอนนี้แหละที่ที่เรามาแน่แนวก็เนี่าสัจจะทำยอมเสียสละอาวัยยวะเอือ ย, ยอมเสียสละทรัพย์เพราะรักษาอาวัยยวะคือเราไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ไม่อยากตายเอาได้ไหมจำเป็นต้องไปหาหมอต้องเสียเงินยอมเสียสละอวัยยวะเพราะรักษาชีวิตอ่ ชีวิตนี่ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้อชีวิตเนี่ยยอมเสียสละชีวิตเออยอมเสียสละเอาวิวญาเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้บัดนี้ยอมเสียกับทั้งชีวิตเพื่อรักษาความจริงถ้าหากไม่พูดความจริงแสดงความจริงจะเละเรื่อนไปเลยดังนั้นการพูดการสอนกันอยู่พูดแต่ความจริงเท่านั้นเองจึงว่าจัจจกแท้ถ้าแป่พันไปจากความจริงเสียแล้วไม่ได้พูดความจริงเสแล้วก็ไม่ใช่เป็นสัจจะ ก็เป็นสัจจะมันก็เป็นแต่ว่าสัจจะพื้นๆอย่างที่หลวงพ่อเคยโพูดเอาไว้ให้พวกเราเคยได้ยินในคำข้าวเปลือกมันก็นเป็นสัจจะอย่างหนึ่งข้าวสารมันก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งข้าวสุกมันก็เป็นสัจจะอย่างหนึ่งแต่กินข้าวเปลือกไม่ได้เท่งข้าวเปลือกไม่ได้เนี่ยกินข้าวสารก็ไม่ได้เอาเข้าวสารมาเป็นพันุ์ก็ไม่ได้กินข้าวสุกได้เอาเข้าวสุกเป็นพันุ์ไม่ได้อันนี้เรียกว่าสัจจะแท้แต่ทุกคนต้องประสบเรื่องนี้ ดังนั้นจีว่าให้พวกเราพยายามทำความเขา้าใจกับตัวเราจริงๆการพูดการคุยกันให้มันลดน้อยไปเราต้องตั้งใจทำการทำงานดูใจเรามันนึกมันคิดให้รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจ ก, ก, จกเอาชนะมันได้อันนี้แหละเป็นของจริงแท้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันทุกคนต้องประสบแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่ประสบยังไม่เป็นแต่จวนจะตายวแหละ พวกคนต้องตายเนี่ยตายจริงๆจะลอ่อคาบเหมือนต้นไม้ต้นเปื่อยบ้านหลวเขาเรียกต้นเปื่อยต้นเปเลลื่อยจะล่อคาบได้ลอคาบคนนี่ลอ่อคาบไม่ได้ต้องตายจริงๆต้องประสบเรื่องนี้จริงๆแต่ว่าคนไม่ได้ตายเชียอว่าอาการคว่มแปลี่ยนเปลีไปเราจะรู้ไปอย่างนี้เราต้องรู้จริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยสอนเอาไว้ว่าหากพระธรรมวินยัย เราเมยอยู่มีผู้ประพฤติดีปฏิบัติสอบตามพระธรรมดีไหนเราอยู่มักผลมิถานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้เราไม่เคยรู้หรือมิถานหมายควว่ายังไงไม่รู้หลวงพ่อแต่ก่อนนึกว่าตายแล้วจึงจะมีคนมารับหรือ่อมีใครมารับเราเอาดวงจิตวิญญาณของเราขึ้นไปเกิดมิถานนึกว่ามิพานเป็นบ้านเป็นเมืองเข้าใจอย่างไงแต่ความจริงอ่ามิถานมันอยู่ที่เรานี่เองมันไม่ไกล แล้วท่านตัดซ้อนไว้อีกครั้งหนึ่งว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุปสิกาดูโดยชอบพอระอรหันก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ตอนเราเข้าใจพระอรหันกับไกลกับคมจริงแต่หลวงพ่อก็เข้าใจอย่างนั้นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้หลวงพไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นหลวงพ่อนำความจริงมาเล่าให้พวกเราได้ฟังเอาไว้คือเป็นเครื่องหมายเอาไว้เท่านั้นเองก็ได้พระอรหันคือรู้ตัวเรา รู้ให้ครบให้จบให้ท้วนรู้กิเลสกวาได้รู้สิ่งที่ไม่มีกิเลสกวาได้เราทําวัดเซาหรือทําวัดเดนจบแล้วก็นั่งดูควมสงบอันความสงบนั่นนี่ว่าอยู่โดยชอบเมื่อจิตใจเรานึกคิดขึ้นมาคนเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นใกล้ๆเข้าไปบัดนี้กิเลสประเภทใดจะมารบ ก, กวนก็เห็นก็รู้เนี่ยหลวงพ่อก็เลยสมมุติขึ้นว่า เด็กๆแล้วจะมาสู้กับเด็กเด็กๆที่แรกมันมีกําลังเรียกว่าสมมติเอามันมีกําลังแรงเรายัางคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนยังไงก็ตามเนี่ยสมมุติขึ้นมาสู้กับเด็กที่แรกก็ต้องเด็กชนะเพราะเราไม่เคยสู้มันบัดนี้เรามารู้มาเห็นอย่างนี้เด็กนั่นก็เลยกลับไปเป็นเด็กที่แรกมันเป็นคนอ้วนคนโตมึงจะลุกขึ้นมาสู้เราเอามือกดหัวมันไว้มันก็เลยสู้เราไม่ได้ หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบเอาไว้หลายอย่างเมื่อกับนักมวยนี่เองคนเ้นเรียนมาจากครูเวลาจะขึ้นสู่เวทีเขาต้องไหว้ทิฏฐงทินี้แต่ไปสู้กับนักมวยครูต่อสู้มีแพ้บ้างมีชนะบ้างบัดนี้พวกเรามาที่นี่ไม่มีนักมวยครูมีแต่นันกมวยเคยต่อสู้เท่านั้นเองพวกเราเคยให้ทานมาแล้วเคยรักษาศีลมาแล้ว เคยทาาําสมถะกรรมฐานมาแล้วเคยจะเลยวิพัฒนาภาวนามาแล้วแต่บางคนก็เข้าใจอย่างนี้ก็มีบางคนยังมาเข้าใจอย่างนี้ก็มีขึ้นในเวทีแล้วไม่ต้องไหว้ครูครูต่อสู้มาซกใสหลุมตาทีเดียวเลยครูต่อสู้มันเจ็บตายแล้วก็สู้เราไม่ได้ที่บนี้ถึงจะมีกําลังแรงก็สู้เราไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันสมมุติพูดเท่านั้นเองมันคิดมาเราก็กดมันได้มันคิดมาเราก็กดมันได้ เขาเด่ยวหมาจนกอกไม่มีทางไปแล้วก็กลับคืนมาหาเราเองหมามันไม่มีทางไปเลยอันตัวกิเลตัวนี้มันก็ต้องแสดงท่าทีให้เราทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเห็นทางนั้นนี่ว่าประเภทเป็นปรามัดแท้อันนี้นี่ว่าปรามัติบัญญตัติอัฏฐ์บัญญตัติอริยบัญญตัติทุกสมมุติมาพูดทางนั้นแต่ออความจริงไม่เอาสมมติมาพูดไม่มีคําจะพูดได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นบางคนรู้ทำมาแล้วหุกปากพูดเลยอ้าว ป้าคุณและจะใครจะได้ยินด้วยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่เราทำวัดเส้าวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่สิบเก้าผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันที่สิบเก้าเราต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวเราให้มันมีค่ามีราคาคุ้มค่ากับเรามาคนมาแต่ไกลๆแบบนี้นค้ารถมาคนมาใกล้ๆก็เดินมาก็ถึงบางคนมาไกลกับขี่รถมา ถ้าหากมันไม่คุ้มค่าแล้วมันก็ห ม, นหมดเงินหมดทองเราควรจริงอันนี้น่ถึงเราจะรู้ก็ประสบจริงๆถึงเราไม่รู้ก็ประสบจริงจริงดนจะตายนี่เองเราเรียกสมมุติว่าตายจวนจะตายแต่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงไปทางไม่ถูกมันก็ผิดหวังเมื่อเราเปลี่ยนแปลงไปในทางถูกเราก็สบายแปลว่าตายเสียคนตายยังไม่มีลมหายใจเรารู้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเป็นอย่างนี้ วิธีการเปลี่ยนแปลงอันนี้มันเป็นอย่างนี้จิงเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไป <l ots> เรียกว่าเป็นปฐมมาสารผู้ติยาสารตัติยษาสารจับตุทาสาร <l ots> ตัจนจะมาสารตัวสุดท้ายนี่แหละหลวงพ่อพูดแล้วเมื่อกีก้นเนี่เห <l ots> มือนกับมีเหิ้งสามขาหรือมีไม้สามท่อนมามัดให้มันยั่งกันไว้อย่างนี้ก็ได้ตัดขานี่มันยังสองขาจะเอายันไปทังทางไม่มีขามันก็ยอยู่ไม่ได้ตัดเอาไปทั้งสองขาแล้วแับนี้ยังขาเดียวจั่งไม่ได้ ตั้งยัไก็ไม่ได้ไม่ขาเดียวขาดไม่ฝังเอาเนื้อักก็เลยมาเปรียนว่าคนสองคนก็ได้สามคนก็ได้ทําการทํางานนายกอต้องทําอย่างนี้นายขอต้องทําอย่างนี้นายงอต้องทำงนี้พอดีได้เวลาตีละครังเปียงวางดินสอวางกระดาษพร้อมกับลุกเก้าอี้ก็ว่างอันนี้เราความเปลี่ยนแปลงมันจะมาจุดนี้ทุกคนหนีไม่พ้นที่หลวงพ่อนํามาแล้วเป็นความจริงเนี่ย คนจะล่วงผู้ปฏิปปปัญญาไม่ใช่เป็นการนึ ก, กนคิดปัญญาญาของวิปสัสสนานได้เกิดขึ้นแล้วให้กับบุคคลผู้นั้นเลยจิ่วจิตของผู้ใดจิตของผู้ใดได้ไม่ใช่เป็นจิตของพระพุทธเจ้านะจิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวันไหวต่อโลกธรรมทั้งหลายหรืออันตรายทั้งหลายหรือว่าอารมณ์ทั้งหลายอันนั้นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าไม่วั่นไหวต่ออารมณ์ ใ, ใดๆใครจะพูดยังไงก็ตามท่านว่ายอย่างนั้นอที่หลวงพ่อได้นํา ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจมาให้พวกเราได้ฟังตอนหลังจากการทำบัตเต้า ว, วันนี้ก็เห็นว่าสมควรเป็เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาจจะมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าสถานที่นี้อาจจะมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลนตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเรา ให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นั้นว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาค็ไปถึงแรื่อแห่งนั้นและจะนํามาสอนพวกเธอทัอ้งหลายให้พวกเธอทัอ้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาทากนี้ก็จะรู้ใจเห็นจัดเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้เนี่ยรู้ได้จริงๆเห็นได้จริงๆเข้าใจสัมผสัสแนบแน่นได้จริงๆอันจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์ จิตใจปกติจิตใจห้องใสจิตใจว่องไวสามารถมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างขอให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงในชีวิตนี้หรือเวลาใกล้ได้จงทุกทุกคนเถิดญาติโยมก็ต้องตั้งใจฟังหลังจากการทำวัดเย็นมือเน่ก็ามาพบทวนอารมณ์แล่มมาแนะแนววิธีปฏิบัติให้แก่พวกเรา ในขณนะนี้ก็ห้าโมงสี่สิบห้านาทีวันนี้เป็นวันวันอังคารนะวันอังคารที่สิบเก้าพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นวันที่ยี่สิบไลเาา่เข้ามาเข้ามาวันเดือนปีมันกินคนเราไม่เห็นว่าวันเดือนปีกินเราไปเห็นแต่ตายทีเดียวนะี่ยังไปเห็นได้ ดังนั้นวันนี้ก็ต้องมาทบทวนกันการปฏิบัติธรรมะต้องปฏิบัติจริงไม่ใช่จะมาปฏิบัติเพื่อเล่นเพื่อคุยกันไม่ได้ผลได้ผลแต่มันได้ผลน้อยวันนี้เมื่อเราปฏิบัติจริงๆงมันกับผลออกมาจริงๆหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังบ่อยๆเพราะเนี่ยพ่อชอบพูดของจริง ที่ตัวเองได้เคยศึกษาและปฏิบัติมาศึกษาปฏิบัติมาอย่างไรก็ต้องนำมาเล่าให้เพื่อนพระสงฆ์และญาติโยมฟังว่าสิ่งนี้เนี่ยมันแก้ปัญหาตัวเองได้ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังการทำจังหวะการทำความรู้สึกตัวมันทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาไม่ใช่เป็นปัญญาเนึกคิดอันนี้ เป็นปัญญาเกิดขึ้นมาจากปดของธรรมชาติจริงๆนี่ยรปัญญายาณของวิปัสสนาภาวนาภาวนาก็แปลว่าทำให้มากทำมากมากไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอทามากไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอมันก็เป็นการก้าวหน้ า, าเดียวก้าวหน้าขึ้นไปที่แรกเราไม่เคยรู้เรื่องลูกเรื่องนามนี่ไม่เคยรู้ รู้แต่ตำลับตำราเรียนมาแล้วจดจำเอาไว้รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจาวเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจสังขารไม่เที่ยงวิญญาณอ น, นิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรู้แต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วมันก็รู้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมันรู้สำหรับตัวเองการเคลื่อนการไหวนี่ เป็นลูกลูกกับนามมันติดกันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าแยกออกจากกันเมื่อใดก็เท่ากับทอนไม้ทอนปืนเมื่อกับคนตายเนี่ยคนตายได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนปืนนะเหน่งไม่ได้ตีงไม่ได้อยูวลูกกับนามแยกออกจากกันไปแล้วตายแล้วไอ้ำนอยลูกทํานามทํามันเนี่ยเมื่อมีจิตวิญญาณอยู่ทํานาทําสวนซื้อขายทุกอย่างทําได้ลูกอณนนี้ทำ นามนี่ก็ต้องทำรูปโลกนามโลกไม่เฉพาะตั้งแต่คนนะเป็นโลกสัตว์ก็เป็นต้นไม้ก็เป็นเนี่ยเราต้องมองไปไกลจังการให้รู้จักสมมุตินี่นะต้นไม้ก็เรียกว่าภาคจับต้นนั้นต้นนี้ภาคอันนั้นภาคอันนี้จับเขาเลยต้นไม้ก็ตายไปเนี่ยอันนั้นต้นไม้ก็เป็นโลกสัตว์ก็ตายเป็นเป็นโลกเช่นเดียวกันคนก็ตายเป็นเป็นโลกเช่นเดียวกันอันนี้เขาเรียกโลกเนื้อหนังโลกทางจิตใจแบบนี้ จิตใจดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจเนี่ยโกรธเกลียดเนี่ย อ, นนญญอันนี้่อนโลกทางวิญญาณอีกเมื่อรู้จักอันนี้ก่อนมันเป็นทุกข์นั่งอยืนนิ่งๆไม่ได้เนี่ยทบทวนผมรู้เพื่อเราจะไม่หลงไม่ลืมนั่งนิ่งๆไม่ได้มันเป็นทุกข์เคลื่อนไหวอยู่จางนั้นแหละแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่มีความสมงบนั่นเองเนี่ยเนี่จังหวะนั่งดูความสงบ ข้อมไม่สงบก็ต้องเห็นต้องรู้เรานั่งยังได้ไวไม่ได้นมันต้องเคลื่อนโอ้นี่ขวอมไม่สงบมีแล้วอบัดนี้จิตใจแบบนี่ยจิตใจมันคิดต่อยไปเลยมันคิดต่อยไปเลยมันก็สบายใจเราไปบังคับไม่ให้มันคิดมันไม่ได้อีกแล้วนี่มันเป็นยังไงดังนั้นขวอมสงบจึงมีอยู่มากเมื่อรู้จักทุกขังอันนี้จังอ น, นัตตาดีแล้วก็รู้จักสมมติอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่แหละ สมมุติยังมีมากสมมุติทุกสิ่งทักอย่างเราต้องรู้ให้ครบให้จบให้ท้วนเราเจึงจะไม่มีทุกข์กับสิ่งที่สมมุติขึ้นในโลกนี้นนเนี่ยเมื่อรู้สมมุติแล้วก็รู้จากศาสนารู้จากพุทธศาสนาศาสน า, ากับพุทธศาสนาไม่ใช่อันเดียวกันนะาศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้หรือศาสนาแปรตวที่พึ่งนี่าศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้ ใครรู้เรื่องอันใหก็นําเรื่องนั้นมาสอนคนเพิ่งผีเหมือนเขก็สอนให้เราเพิ่งผีคนใดเคยเพิ่งลึกงามยามดีเขาก็สอนให้เราเพิ่ ง, งลึกงามย า, า, า, า, า, า, ามดีตามเขาเป็นอย่างนั้นคนใดเพิ่งเทวดาก็สอนให้เราเพิ่งเทวดาเ<รอ>สียยเพราะดูลึกดูยานมอันนั้นเดียวศาสนาแปลว่าที่เพิ่งอย่างนั้นพุทธศาสนาบหมือนเปลว่าดูแจ้งเห็นจริงรู้ แล้วก็ไม่งอแงของขต่เรารู้ทำเห็นทำเนอยูด้วยธรรมไปด้วยธรรมมาด้วยธรรมเราไม่ต้องอาศัยผีแล้วบันไม่ต้องอาศัยเลือกงามยามดีใครจะมาทําดีให้เราไม่ได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นธรรมะจึงสนะอะธรรมนี่ยคุนสอนอะธรรมก็คือควาไม่รู้นั่นเองดังนั้นพวกเรามาเจริญปัสตนาภาวนาที่ทับนิพพานตั้งแต่วันที่สิบห้าสิบหก เจ็ดสิบแปดสิบเก้าผ่านมาแล้วสี่วันแล้วเนี่ยยังเหลืออยู่ไม่กี่วันสิบวันเท่านั้นเองแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันที่ยี่สิบเย็นนี้เมื่อหลวงพ่ออบรมล้วพวกเราก็ต้องเอาจริงเอาจงอย่าท้อแท้อย่าอ่อนแอทำให้มันดูแจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงเรานั่งสร้างจังหวะมันก็สงบ พ, พอดีมันคิขึ้นมาปุ๊บเราเห็นปับ๊บเนี่ยผมไม่สงบขึ้นมาอันตัวนั่งอยู่นี่อันตัวนี้พัฒนาไม่ได้ตัวนี้ ตัวนี้พัฒนาไม่ได้ตัวเคลื่อนตัวไหวนี่ยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติหน้าที่ของมันตัวที่มันคิดนั่นลราพัฒนาได้ตัวตัวนี้เราเคยเห็นไหย ม, มันเกิดขึ้นมาแล้วยแบบใหญ่ขึ้นมาทีลานิดทีลานิดเป็นนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อบ้านแม่เลี้ยตายเน่าเข้าโหลงหนี่พัฒนาไม่ได้ไตัวคิดดีใจเสียใจพัฒนาได้ดีใจทําไมทุกแล้วเนี่ยคิดขึ้นมาอ้าวเสียใจอ้อเสียใจเพราะทำไมทุกแล้ ว, ลวเราจะเห็น รวมพวกตัวนั้นพัฒนาได้ตัวเพื่อพัฒนาได้บางส่วนบางส่วนพัฒนาไม่ได้อันนี้รู้จากพุทธศาสนาพุทธเจ้งแปลผู้ลู่ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมลู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมอันนี้ส่วนเราเข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าแต่ถึงไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าแล้วนี่บาปบาปก็คือมืดนั่นเอง ไม่รู้ทิศใต้ทิศเหนืออะไรเนะี่ยไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วเอาเลยบาปบาปย่คือมืดบาปคืองโง่บาปคือที่หนักอกหนักใจนั่นแหละพูดง่ายๆก็หนักใจเราเคยพูดกันหนักอกหนักใจแล้วไปหนักมันทําไมสิ่งนั้นแต่ก็เพราะเราไปรู้นั่นเองดังนั้นที่หลวงพ่อมาทบทวนอารมณ์และวลรู้ให้พวกเรามาปฏิบัติเนี่ยบางคนก็ปฏิบัติมานานแล้ว สองปีสามปีมไม่ไม่เห็นรู้อะไรมันจะรู้อะไรเราคิดออกนอกตัวเราไปคิดว่าจะได้อันนั้นที่ว่าจะรู้อันนี้มันลื่นตัวไปมันก็เลยไม่รู้บัตรนี่ละปล่อยอารมณ์ทั้งหมดเลยกลับเข้ามารู้อยู่การเคลื่อนไหวตัวเรานี่เองบุญก็เลยบีขึ้นมาเราเทพปัญญาปัจมีกันเพิ่นแปลกันมากแต่หลวงพ่อไปปฏิบัติแล้วไม่อยากปัญญาปัจมี สัมปันโนอิติาาปิโสภะวาวิเนว่าปัญญาบัณณีสัมปันโนอิติปิโสภะวาเพื่อเทศกันปัญญายุเปโตสุขโตวิตตลโคาเสยยะเสโกทัศัญญาณทาโลโยโลกะนาโทหิตะถังวักจินเตนะปะปังสุขตังศีระสานา ม, ามิไอ้ว่าอันนั้นเหมือนยาปัญญาก็เปียวเมีแล้วปานละเดียวพร้อมพร้อมที่จะให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาได้เอาใกล้มีทุกคนปัญญาอันนี้ เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้โดยตัดเอาไว้สัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันกับพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตบุใรไ้เป็นพระพุทธเจ้าเลวสาวกพุทธะอันบัดนี้ท่านตัดในข้อที่สี่นี่ว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแนวแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีดงังเราตถาคตนี้เป็นต้นต้องรู้เห็นเป็นมีเหมือนกันกันกบพระพุทธเจ้าถ้าทําจริงต้องเป็นคนจริงก็ต้องรู้จริงเหมือนกันกันกบพระพเจ้าไม่ผิดกันเลยพุทธานุพุทธังส า, สามารถศีลทิฏฐิเสมอการมีศีลเหมือนกันกับพระพุทธเจ้า มีความเห็นเดียวทิฐิเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเห็นอะไรก็เห็นตัวเรานี่เองเมื่อเห็นตัวเราครบจบทั้วน้วก็ไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะเราทําอะไรต้องมีพื้นฐานอย่ปลูกบ้านแปลงเรือนก็ต้องมีพื้นมีฐานพื้นฐานดีลงหลักเข็มดีปลูกบ้านก็ไม่ไม่สุดเนี่ยถ้าหากพื้นฐานไม่ดี บกบ้านกดซดเดียว่าบเสาผุเสาล่มลงไปเอียงข้างนั้นเอียงข้างนี่เงี่ยคนว่าจีว่าให้รู้หลักฐานไว้ลูกน้ําเนี่ยต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้หลวงพ่อต้องรู้อย่างนั้นอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเมื่อมันมีอารมณ์เอาไว้ไม่ไว้กกลับคืนมา <c oughs> ทบทวนอารมณ์ น, นี้จีวัตรทบทวนอารมณ์อารมณ์อันนี้เพียงดีใจแต่ยังมือตื้ออยู่ในใจใจยั ง, ยงหนักอยู่ บัดนี้เขาเล่นความเพียรเข้าทำความเพียรเข้าไม่พูดไม่คุยความรู้ต่างๆมันจะค่อยลดน้อยไปลดน้อยไปเห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นคือวัตถุอย่างที่หลวงพ่อคุณวัตถุหมายถึงดินฟ้าอากาศเป็นวัตถุต้นไม้ภูเขาเป็นวัตถุเสื้อผ้าไรนาลวดสวนเป็นวัตถุเงินทองเป็นวัตถุเนื้อหนังเราก็เป็นวัตถุเหมือนเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนั้นจิตใจก็เป็นวัตถุเนี่ย วัตถุจะมีมากเหมือนกัน wow ส okay> ah ิ่งที่จับถูกด้วยมือก็เป็นวัตถุสิ่งที่จับไม่ถูกด้วยมือมองไม่เห็นด้วยตาใจใจมันรู้ก็เป็นวัตถุเช่นเดียวกันปารลามะท์กำลังเราสัมผัสอยู่เนี่ยสัมผัสอย่างเดียวพอจับมือกาันจะเป็นปารลามะท์ปารลามะท์คือเรากำลังเห็นกำลังรู้กำลังเข้าใจกำลังสัมผัสแนบแนบอยู่กับวัตถุนจะเป็นปารลามะท์ปารลามะท์แป็นของจริงๆถึงจะรู้ก็มีอยู่อย่างนั้นไม่รู้ก็มีอยู่อย่างนั้น ย้อนธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกค้นพบในประเทศอินเดียคนในอินเดียยุคนั้นดูจะมีทุกข์มากมีทุกข์มากแล้วก็ตั้งคนตั้งหาเป็นกรรมฐานโอดมากเป็นพระทุดงพระกรรมฐานในประเทศอินเดียเพราะคนสแสวงหามรรคผลในผานมันมีความทุกข์มากเมื่อกับบ้านเราทุกวันนี้แหละมีความทุกข์หน้าบ้านเรา อันนี้ก็มีความทุกข์มากเช่นเดียวกันผู้ใดแสวงหาธรรมะมาเป็นเพื่อนมาเป็นคู่ชีวิตเราได้ก็มีความสบายขึ้นมาเป็นยางไ น, นดังนั้นพวกเรามาที่นี่ก็ต้องมาแสวงหาธรรมะแสวงหาของจริงเมื่อแสวงหาของจริงก็ต้องได้ของจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดให้แล้วเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็จริงแบ น, นี้เมื่อเราเห็นเราลูเร า, รเรารสัมผัสแนบแนบ่แนกับสิ่งเหล่านี้ได้เราก็เห็น โมหะก็ได้โลภะก็ได้โทสะก็ได้โมหะโทสะโลภะนี่เป็นลากเง่าของบาปเป็นลากเง้าของการทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วถนทดเป็นลากเง่าของอกุศลหมดเลยเนี่ยเขาต้องเห็นต้องรู้เข้าใจอย่างนี้คือคําพูดมันมากแต่ความจริงเห็นในน้อยก็ดีไม่ต้องพูดมากเมื่อเห็นอันนี้แล้วเวทนาสวยอารมณ์คือไม่ทุกข์ สเสวยอารมณ์บทุกข์ให้ว่าไปเวทนาสัญญาจําได้หมายรู้สิ่งที่เห็นที่เข้าใจจยางสัญญาสังขารปรุงไปใทางที่ถูกต้องวิญญาณเป็นวารุวิญญาณไม่ใช่ว่าตายแล้วไปเข้าท้องคนนั้นไปเข้าท้องคนนี้กลับมาทักทอลูกหลาน เ, าเอาออกกองบุญถานออกกองบวชกองหดอันนี้เราเราเข้าใจไปไหมอันนั้นเข้าใจไม่ตรงมันมีมาก่อนแล้วเนี่ย มีมาก่อนแต่พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ตัดสโลโฟน์บัดนี้พระพุทธเจ้ารู้แล้วท่านก็เลยว่าวิญญาณแปลว่ารู้เนี่ยอันท่านเรารู้เนี่ยรู้จักเนี่ย ว, วิญญาณนี่ว่าคมรู้สึกกระเอิญวิญญาณกเ็เอิญเอิญนี่ก็คงจะรู้จักเรียกบ้านหนเดียวเอิญวิญญาณก็เอิญ้ญวิญญาณก็เรียกเรียกกับเอิญเช่นเดียวกันมันเป็นสมมุติพูดตามสำนวนสำเนียงแต่ละบ้านละบ้านไม่เหมือนกันเป็นงไง ดังนั้นให้รู้จับวิญญาณแปลว่ารู้วิญญาณแปลว่าเข้าไปรู้แบบเรียกว่าตาใจตาปัญญาเรียกว่ายานอ๋อเมันมากญานก็แปลว่าขนส่งหรือยานเดียวเข้าไปรู้ยานแล้วเป็นปัญหานะมันหลายเรื่องอันนี้แหละเราเข้าไปหาพระพุทธเจ้าได้จริงๆตัวนี้ตัวนี้เบาขึ้นมาแล้วตัวนี้เมื่อใครยังไม่เบาเพียงแต่รู้จำํำ เมื่อใครเบาอกเบาใจเวลาเราเข้าไปรู้เบาว่ า, วางสว่างใจแก้งสว่างแต่ไม่ใช่สว่างคืออย่างกลางวันนี้มันสว่างใจใจมันสว่างขึ้นอันนั้นแหละเราเป็นพระเราจะรู้เองโอ้หัเป็นพระมันเป็นอย่างนี้ผู้หญิงก็เป็นพระได้ผู้ชายก็เป็นพระได้เด็กก็เป็นพระได้คนเท่าคนแก่ก็เป็นพระได้พระอันนี้เรกเป็นปรมัตา์เป็นปรมัจา์บัญญัติเหมือนอัฏ ฐ, ฐบัญญัติได้แก่มาแปด สี่คู่แปดบรุษเอสาพระขาวโตสาโลกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระพุมิภาคเจ้าอาหูนายโยเป็นสงควรแกศสักระที่เขานำมาปูชาร์อาหูนายโยเป็นสงควรแกศสักระที่เขาจะไปตอนนัดเป็นไรแต่เราไม่เข้าใจสูตรได้แต่เราไม่ทําให้มันเป็นบันนี้เรามาอบรมอบรมเปวันสีเนี้ อบรมเดียวซีเนี่ยควมถูกต้องแลี่ควรพลาดผิดควมถูกต้องคือรู้ของจริงควรพลาด ผ, ผิดมเนี่ยว่าเป็นพิษเป็นกิเลสเป็นปนิปัสนูเป็นจินตญานเป็นวิปลาสไปอย่างนั่นแ่ะมันมีหลายเรื่องแต่ความจริงเมื่อรู้เท่าทันเหตุการณ์แล้วก็เรื่องเดียวสั้นๆเรื่องเดียวสั้นๆแต่มันก็ไม่สั้นตอนที่แรกมันจะเป็นวิปัสนาวิปัสนาก็มันเป็นไป คิดโน้นคิด น, น, ดนี้คิดดีใจมากตอนนี้ตอนนี้เป็นปีติปีติตำลาเขาบักดีปีติวมอิ่มใจปีติวมพอใจปีติวมยินดีโอหลายเรื่องปีติจุเป็นอุปสรรคต้องการขัดแยง้งการเดินทางของเราไปสู่มักเบิงสูงปีติเจงมันติดอยู่นั่นคือมันดีใจูมใจไม่ต้องดีใจไม่ต้องูมใจมันคิดแล้วทำคมรู้สึก ควรู้สึกนะจอบวางความคิดนั้นออกมาเลยเทุกต้องกําหนดรู้ส ม, มุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทําให้แจ้งเนี่ยมันจะค่อยรู้ไปรู้ไปรู้ไปจะแจ้งไปทุกตัวเคลื่อนตัวไหวตัวที่เป็นตัวทุกเปลือกนอกไม่ใช่ทุกเปลือกในเมื่อทุกตัวนี้เราทําได้กํามือเป็นทุกเราก็กำได้แต่มันรู้สึกตัวคิดตัวนั้นนอะตัวส ม, มุทัยก็เป็นตัวทุกแต่ไม่อยากให้มันคิด ห้ามมันไม่ได้เมื่อห้ามมันไม่ไม่ให้มันคิดมันยิ่งทําพิดให้เราหยุดให้มันคิดปล่อยไปทําความรู้สึกตัวเนี้ยมันคิดปล่อยไปเนี่ยปล่อยปะละวางได้ปล่อยไปมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้เนี่ยบัดเนี่ยคนโดยมากไม่อยากให้มันคิดมันจะรู้ทําไมไม่อยากให้มันคิดมันก็ไม่รู้ให้มันคิดมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้หลวงพ่อเคยอุปมาและเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนกับนักมวย นักมวยเนี่ยเมื่อไปเห็นคู่ต่อสู้แล้วจากผู้เล็กผู้น้อยหรือจะมีน้ําหนักหรือเบาวกว่าเราใหญ่กว่าเราสูงกว่เาเราไม่ต้องพูดเลยว่าแต่ขอให้มีคู่ต่อสู้ถึกขึ้นในเวทีสู้ลงทันทีเนี่ยแปลว่านักมวยคนนี้จะเป็นคนที่นักสู้ซกเก่งเพราะว่าใครมาก็สู้เลยน้อยก็สู้ใหญ่ก็สู้เสมอเราก็สู้ซกบ่อยๆประกาสำนานในการซกอันนี้ก็เหมือนกัน มันยิ่งคิดเราก็ให้มันคิดขึ้นมาเราก็ทำกรมรู้อยมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งรู้รู้กลไกของกรมคิดในเป็นอย่างอันนี้เราจะให้มันคิดเราไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันสงบก็ไปกดทับมันไว้คำว่าสมถะกรรมฐานเหมือนกับหินไปทับย้าเอาย้าเอาเห็นออกแล้วย้ามันงอกขึ้นดีกวเดิมอันตัวไม่อยากให้มันคิดน่ะในข่าวที่เป็นนั่งสงบเลยบาทออกไปสู้เอารมแผ่นนอกสู้ไม่ได้เลย ดีใจเสียใจเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีบางทีเธอกับรลองก็มีคนนะคนมาพูดให้เรามันลองก็มีเนี่ยมันไม่พอใจเนี่ยมันทุกข์ขนาดนั้นจังว่าเราไม่รู้จักบัดนี้ปล่อยมันไปมันคิดปล่อยมันไปเราจะรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาสนะมันได้อันเดียเลยว่ามักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ทุนคมดับทุกข์อ๋อบัดนี้ก็จะมาว่าตอนดับทุกข์ให้ฟังโตสุดท้าย คือว่าขอต้นก็มาว่าตัวสุดท้ายให้ฟังตัวสุดท้ายเนี่ยให้ระวังให้ดีหลวงพ่อพูดให้ฟังทุกวันนะแต่บางทีก็พูดแจ่มใสบางทีก็พูดรุลวกไปเพื่อให้เราไปคิดคนมีปัญญาบางคนคนรู้แล้วก็มีที่นี่ยบางคนยังไม่รู้ก็มีไปเลยตัวสุดท้ายนี่หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังเอาเสือ้อผูกไว้ข้างนี้ผูกข้างนี้ตัดตรงกลางเลย เสื้อมันตึงดึงเข้ามาหากันไม่ไม่ถึงเลยดึงเข้ามาอยู่นมันไม่ถึงทีแรกเอาต่าผ้าก็ได้เขายังไปพาดก็ได้ทั้งหมดเลยพอาาดีตัดขาดพูดได้เอา้าไปพาดไม่ได้มันขาดแล้วแก้ส้นนี่มาต่อตรงกลางไม่ถึงหลักนี่แล้ว บ, บัณฑิตแก้ตรงกลางมาพูดเ น, นี่ยไม่ถึงตรงกลางแก้ซ้นมันถึงมันไม่ถึงแล้วนี่ตัวนี้สมมุติเข้ามาบัณฑิตมีบาดหลัปุ๊บนี่ลืดต้องมาออ ก, กบาด ท, ทั้งหมดแต่ก่อนบัณฑิตพอดีปุ๊บเข้ า, าไปเลือดเต็มอย่าแล่นคืนเข้ามาสู้ที่เดิมมัน ทางพวกก็จะแล่นออกไปขมึงมันเป็นอย่างไรทุกคนต้องเป็นจริงๆถ้าทําให้ถูกต้องอันนี้แหละตัวสุดท้ายเมื่อตัวนี้ขาดหยุดแล้วเนี่ค่ะว่าขันห้าปรุงกันแต่งกันไม่ได้อายตนะก็ตามขันห้าก็ตามปฏิจจสมุปบาทก็ตามมันไม่เป็นวงจรมันไม่เป็นวงจรมันขาดอุปกรณ์กันมันเป็นอย่างไรแต่ว่าเราจะเอาไปใส้ได้ก่อนแค่เท่านั้นเนี่เอาไปใส้หลักใหม่เอาไปให้หลักใหม่ได้ แต่เราไม่ต้องออกมาไ้แบบนี้เราไปไ้แบบอื่นได้นี่แหละทุกคนจะประสบเรื่องนี้แน่นอนที่สุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็นตัดแล้วว่าสัตว์ทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตาถาคตสตว์ทั้งหลายเป็นตาถาคตสัตว์ทั้งหลายเราก็เป็นตาถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจะนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตาถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตรเนี่ยเราก็ฟังให้มันเป็นนี่เป็นคํามั่นสัญญาเป็นคํารับรองของพระพุทธเจ้าจริ ง, รงๆอันนี้แต่เราไม่ทําตามทําตาม น, น้อยๆเนี่ยมันก็รู้น้อยที่ดังนั้นเรามาที่นี่ต้องเป็นเข้าทีนึโยนเข้าไปลงสีสีออกมาให้เป็นเข้าทีนึงเนี่ยถ้าหากพวกเรามาที่นี่จํานวนคนเป็นร้อยถ้าทุกคนทําได้แต่ไม่ถึงขนาดนั้นก็าตาม เราเออกไปเผยแพร่มีสมาชิกกี่คนเราได้สมาชิก ค, คนหนึ่งก็แสดงว่าเราทําให้พุทธศาสนาได้มาอีกถึงคนหนึ่งถ้าจํานวนร้อยคนได้คนละคนละคนก็ได้สองร้อยคนถ้าคนนึงมีพักมีพวกมากทําได้สามคนสี่คนกว่ามากขึ้นไปเราเคยได้ยินคูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังพุทธศาสนาในประเทศอินเดียจะเลยขึ้นมากที่สุดคือว่าพระอะไร พยศศะหรือผ่านอะไรมีเพื่อนมากคนหนึ่งพอดีได้พยศศะและ้วพยศาะสร้างแต่หาคนนั้นสร้างแต่หาคนนี้พรรคพวกมีมากทําให้พุทธศาสนาจเจริญได้เร็วอันนี้พวกเราก็ต้องเข้าใจกันดีๆการศึกษาการให้ทานการรักษาศีล น, นั่นดีแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ดีแต่มันแก้ปัญหาการขัดแย้งตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นไตัวสุดท้ายนี่แหละมันจะมีลดซาตดสิ่งที่บราเคยรู้ เล็กสิ่งที่บบเคยเห็นเราจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองเมื่อทำอันนี้ถูกต้องตัวนี้ละไม่สงสัยไม่งอนแงน่ไม่คอนแทนเพราะเรารู้เราเห็นเราเข้าใจพระพุทธเจ้าต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราเคยพูดกันเราเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์จิตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมหรือต่ออารมณ์ก็มีในคนทุกคนเนี่ยทันวดจิตของผู้ใดเนี่ย ไม่ใช่ว่าจิตพระพุทธเจ้าคนเดียวเนี่ยมันมีเหมือนกันทุกคนพระพุทธเจ้าก็คือเราเราก็คือพระพุทธเจ้าผู้หญิงผู้ชายผ้าสงองค์เนนถือศาสน า, าใดก็มีอย่างนั้นมีเหมือนกันหมดแต่ว่าเราไปติดสมบุญซะเธอศาสน า, าคิดปฏิบัติไม่ได้เป็นญาติเป็นโ ย, ยมปฏิบัติไม่ได้เนี่ยแม้ญาติโยมปฏิบัติธรรมะมีข้อสงสัยกันอยู่มากแต่หลวงพ่อเองก็มีความสงสัยเส้นเดียวกัน แต่ก่อนแต่หลวงพ่ออยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจมันอยากรู้อยากเห็นนอกตัวไปถ้าหากเป็นฆราวาสญาติโยมทัานว่าปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะทราบซึ้งในจิตใจแล้วรีบบวชถ้าหากเป็นผู้หญิงก็รีบบวชเป็นแม่เขาเนือเป็นเิกษุนีผู้ชายก็รีบบวชเป็นพระสงฆ์ถ้าหากไม่บวชตายเลย เป็นฆราวาสญาติโยมลูกธรรมะแล้ไม่เกิดเจ็ดวันตายอันนั้นไม่จริงหรอกโยมหลวงพ่อทดลองมาแล้วสองปีกลัวพุ่งหลวงพ่อไปโยมทดลองเมื่อได้มัมมนจะตายเลยไม่เหตุตายเลยแต่ตายสิ่งที่ตายตายจริงจริงแต่สิ่งไม่ตายมันไม่ตายลูกขันอันนี้มันเป็นอีกอย่างนคนใครจะเกินเกินเจ็ดวันไปไม่มีเลยทิศจันร์คารพุทประหัต ส, สุขเสาตายพระเจ็ดวันนี้ทางนั้นรู้ธรรมะก็ตายภายในเจ็ดวันนี้ ไม่รู้ธรรมะก็ตายภายในเจ็ดวันนี้จริงจรงอันนี้ตายจริงๆแต่ว่าตายเนาเข้าลงเนี่ยไม่ก็อย่างนั้นจะควรเปลี่ยนแปลงของจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่เราไม่เคยมาที่นี่นะแล้วมาเห็นโอ้ท่านนั่งสงบได้แล้ว ก, ก็นั่งสงบเนี่เปลี่ยนไปบัดนี้เห็นจิตใจมันโอ้จิตใจมันคิดได้โอ้จิตใจมันคิดนี่ไม่ห้ามมันเลยเนี่ยเราก็จับได้มัให้มันคิดไปมันคิดไปแล้วก็รู้มันอยัาไปเข้าไปในของคิด พอด้มาคิดปุ๊บออกมาทําความรู้สึกนี้มันจะตัดกันเลยยอดสมุ่อไหรต้องละมันต้องละได้จริงจรทดลองดูก็ได้ถ้ามันคิดมากๆคิดไม่หยุดกะเ น, นี่ยเจ็บนิดปุ๊บวางเลยมันเป็นย่างไงทดลองเอาเลยเนี่ยการศึกษาธรรมะอย่างระดับไม่ต้องไปคล้องแวะอยู่กับสิ่งใดๆทั้งหมดที่หลวงพ่อได้มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะิตใจมาในวันนี้ตอนทำวัดแรงนี่ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้ว ท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะยูณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุนของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคุณของพระรันตาสาวกพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้เจริญลอยตามพระพุทธเจ้าทําให้พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามั่นคงถาวรต่อไปเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วหากพระธรรมวินัยของเรามีอยู่ หากมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติทอบตามพระธรรมทีไหนของเราสถาพตอยู่์มักผลนิพพานก็จะไม่ว่างจากโลกนี้นี่ยมักผลนิพพานคือไม่ว่างจากตัวเรานี้เองหากภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุปัิกาอยู่ในชอบพระอรหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้พระอรหันต์ไม่ต้องไปเห็นไก่เห็นใจิตใจเรานึกเราคิดนี้เองไม่ต้องไปเนอะไรเห็นมันโกรธขึ้นมาต้องปุ๊บปับ๊บเอาทันทีเลยเอาที่นี้เอาใกล้ๆนี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมะ ทำมาอเนกปฏิบัติประกับการกับงานได้ทุกอย่างทีเดียวทำนาทำสวนซื้อขายได้ทางนั้นเพราะเห็นมันเกิดปุ๊บรู้ทันทีมันจะโกงขึ้นมาเอามันเนา่าเหม็นเปียกเสะไม่เอ า, อาเห็นแลก็เลือกคัดจัดเทานัานี่ว่าหน้าที่ของคนให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้หรือเวลาใกล้นี้จงทุกทุกคนเธอ